ตอนนี้พายพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสานานี้เราต้องตั้งใจจริงๆบางคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่ไม่ได้ผลก็มีทำให้จิตใจวันไว้ไปตามอารมณ์ต่างๆโยอันนี้นะพ่าเป็นสิ่งที่ควรจะแก้ไขควรพิจารณาตัวเองได้คนอื่นไปช่วยแก้ไขให้มันไม่ได้กิเลสของใครของมันสร้างขึ้นมา เมื่อตอนผู้สร้างขึ้นมาตนก็ต้องเป็นผู้ละมันเมื่อเห็นว่ามันไม่ดีบางคนมันเห็นว่ากิเลสแต่มันดีจึงยึดถือเอาไว้ไม่ยอมละมันถ้าเห็นว่ามันไม่ดีด้วยปัญญาจริงๆมันก็ละมันแหละไม่ยึดถือมันไว้ พอมันเห็นนี่เหมือนอย่างเราเดินทางไปเห็นพวกสัตว์อารบสารพิษอยู่ทางนั้นใครจะไปเหยียบมันก็เว้นแหละเราไม่เหยียบมันเพรารู้ว่ามันมีพิษถ้าไปแตะต้องมันมันกัดเอาก็จะเจ็บปวดอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ เมื่อบุคคลรู้ว่ากิเลสเนี่ยมันมีพิษร้ายเช่นนี้แล้วก็จะมาสะสมมันไว้ทำไมอ่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันก็เพียนพยายามกระจัดมันเลื่อยไปจะไม่ยึดถือเอามันไว้ไม่สร้างมันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกการที่บุคคลจะไม่สร้าง กิเลสขึ้นมาเพิ่มเติมอีกก็เพราะอาศัยสติสมาธิปัญญาเมื่อมีสมติคลรมะระวังจิตใจตัวเองอยู่อย่างนี้นะเมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบมามันก็ห้ามจิตได้ทันคนผู้เห็นโทษของกิเลสเน่ะผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสก็อ ย, อยังว่าแล้วเนะ่ยมันก็ เรื่องอะไรก็โทษกระทั่งมามันก็กำเริบขึ้นมาเลยกิเลสนั้นเองการเห็นโทษของกิเลสจึงว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในพากันพิจารณาให้มันเห็นทาไมเห็นโทษมันแล้วมันก็ติดถอยห้อยตามอยู่นั่นแหละละมันไม่ได้แล้วพอวพอใจกับมันนี่ <c oughs> ตัว น, นี้สำคัญมากต่อให้ไปฟังเทศต่อหน้าพระพุทธเจ้าน่นมันก็ละกไม่ได้ถ้ายังพอใจกับกิเลสอยู่ตราบใดแล้วอย่าว่าแต่จะมาฟังเทศกับพระสงฆ์สาวกของพระองค์นี่เลย <c oughs> ดังนั้นน่ะ ให้พึ่งพากันพินิษฐพิจนาตัวเองอาคีเลชนิดไหนมันออกหน้าออกตากู่เพื่อนมันมีกําลังมากกู่เพื่อนเ้วก็เจริญกรรมฐานอันนั้นให้มากๆากกลัวการเจริญกรรมฐานอื่นๆก็เคยสอนมาโดยลําดับนะ่ะนหละ เช่นผู้เป็นราคะจริตรักสวยรักงามมากอย่างนี้นะก็ต้องเจริญอสุภกรรมาฐานบ่อยๆมองดูร่างกายของตนเองและผู้อื่นให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามอยู่เรืออ่อยไปก็ธรรมดาของมันก็ไม่สวยไม่งามอยู่แต่จิตใจของคนเรานี่มันแปรผันไปทั่ว แปลไปตามอำนาจแห่งความหลงความเข้าใจผิดกับเพ่งพินิดดูให้มันละเอียดถี่ท้วนลงไปแล้วมันไม่มีส่วนไหนสวยงามเลยมีแต่ที่ไหลออกซึ่งสิ่งโสโครกต่างๆอายตนะหกนี่นะหรือทวารทั้งเก้าเนี่ย ทวานตาทวาลหูทวาลจมกูกทวานลิน้นทวานกายทวานหนักทวาลเบามนี้ทวานปากหมุเนี่ยเป็นที่ไหลออกซึ่งสิ่งโสโครกโสกะปกอุจจาระปัสสาวะเหงื่อไครเสมหะ มูลนี่น้ำลายน้ำมูกมันเป็นที่ไหลออกซึ่งสิ่งโสโครกทั้งนั้นเลยแต่คนเราไม่พิจารณาเห็นแต่เวลาเขาประดับตกแต่งร่างกายเข้าหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละหลงว่าสวยว่างามทันทีอมันหลงอย่างนี้มานับชาติไม่ท้วนแล้วนะ เพราะฉะนั้นมาชาตินี้ไม่ควรจะหลงมาได้มาพบพุทธศาสตร์สนาแล้วเราควรปฏิบัติตามคำสอนของพระเสามีสติสัมปชัญญะกำหนดกายนี่เป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาม้างกายนี้ออกนั่ น, นกระจายมันออกด้วย การเพ่งเราเพ่งดูแล้วสมมติว่าร่างกายนี่ถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้วนะ่ะมันนอนพอดอยู่บนพื้น ด, ดินถ้าไม่เผาแล้วก็มีนจะเน่าเปื่อยผุพังไปพวกดูนักพวกแย้งพวกกาพวกอะไรก็แย่งกันกินนะ สุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกเอ่พิจารณาดูอวาสานแห่งรูปกายอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเพ่งพิจารณาบ่อยๆเห็นว่อาอสุภนิมิตปรากฏในใจอย่างนี้เสมอเสมอละมันก็คลายความกำหนับลงได้มันเป็นงนั้น แต่คนส่วนมากมันถึกไม่พิจารณาว่ามันอะไราในความรักความใคร่ไม่อยากให้ความรักความใคร้หนีออกไปจากจิตใจเพียร์ไดหลายนั่นแหละมันถึงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่จบที่สิน้นเพรใจมันผูกพันอยู่กับรูปนี่มันหนีจากรูป ไม่ได้มันก็ต้องมาอาศัยรูปอีกอาศัยรูปนั้นอยู่ไปหมดบุญหมดกรรมลงไปรูปนั้นแตกคำลายลงมันก็ไปอาศัยรูปใหม่เกิดขึ้นมาอีกถ้าทำบาปกรรมความชั่วกรรมชั่วมันก็ถุดไปอาศัยรูปชั่วรูปสัตว์รกรูปสัดเปรตรูปสัตว์สตอสุรกายรูปสัตว์ดีรชาน <c oughs> ถ้ามันยึดเอาคำดีไว้เป็นอารมณ์อย่านี้คำดีมันก็ น, นำไ ป, เ ก, เ, ปนนเกิดเป็นคนขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นคนขึ้นมาความกำหนัดยินดีนะมันก็ติดตามมาอยู่อย่างนี้แหละพอจะเจริญไว้ใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เอาแล้วแสดงบทบาทเห่นความรักความใกล้ อย่างรุนแรงร้อนใจอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเรานะ่ะมันถึงได้เสียเนื้อเสียตัวไปบางคนยังไม่มีผัวมีเมียก็ไปเป็นสแสดงตนเป็นคนเจ้าชู้กินไม่เลือกวันนี้นะนั่น บางคนมีผัวมีเมียแล้วก็ยังไม่พอใจในผัวในเมียของตนเอาไปหาสแสวงหายิงเอื่นชายเอื่นเข้าไปนอกบวชบวชเข้ามาแล้วร่ า, างกายห่างจากกรรมคุณมาแล้วแต่จิตใจก็ยังไม่ห่างยังเพ่งไปหาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเึื่องสัมผัส ต, ต่างๆอยู่นั้นแหละ ยังพอใจอยู่อันนี้แหละท่านกล่าวว่ามันไม่เห็นโทษแห่งกิเลสตัณหาเนี่ยมันเห็นผิดวิปราชไปต่งตางๆนั่นนาดังนั้นเนี่ยผู้รู้ตัวตื่นตัวแล้วจงมาเจริญกรรมฐานแก้ไขจริตนิสัยอันไม่ดีของตัวเองนั้นให้มันดีขึ้น เราเป็นสมณะก็ใหม้มันสมกับภูมิที่เป็นสมณะเลยว่าผู้มีจิตใจสงบระ ง, งับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆ <c oughs> แต่ผู้ที่ชอบโมโหโทโสมากอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนโทศัสจริตมีความโกรธออกหน้าออกตา ทางก็สอนให้เจริญเมตตากรุณาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่บางคนก็ไม่ปฏิบัติตามยังหวงความโกรธอยู่นั่นแหละความโกรธมันเป็นอกุศลทําไมชอบดักชอบนาะอันเมตตากรุณาเนี่ยเป็นกุศลธรรมเมื่อบุคคลมาเจริญให้เกิดให้มีขึ้น ในตอนอย่างนี้นะนก็ทำให้บุญกุศลเกิดขึ้นในใจเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็เบาบางไปอย่างนี้แหละการที่เราเมื่อยอมรับนับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติจริงๆกีเลตมันก็เบาบางออกไป ถ้าไม่ปัตตั้งใจปฏิบัติคอยให้จิตใจเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกอย่างนี้นี่มันจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนมันก็ละไม่ได้กิดเลสใช่หเพราะว่านั่งนั่งคิดนั่งสง่งจิตไปอย่างนี้นะภายนอกโน้นอย่างนี้มันจะไปลากิดเลสได้ยังไงอ่ะไอ้ผู้จะละกิดเลสได้เนี่ยมันต้องรวมจิต ให้อยู่ภายในนี่แม้มันส่งออกไปข้างนอกเมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งดูร่างกายสังขารนี่มันก็เห็นแต่ของไม่สวยไม่งามสี่พรหนังหุ้มอยู่ทังหานี่ถ้าลอกหนังออกไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามเลยร่างกายอันนี้นะมีแต่น้ำเลือดน้ำเลงน้ำเน่าน้ำเหม็นอะไรมันจะไหลออกมา สารพัดทั้งทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วอีกด้วยในความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นผู้เจริญสมาธิภาวนาต้องเพ่งให้มันเกิดอุกาธนิมิตให้เห็นอทุภานิมิตคือเครื่องหมายแห่งความไม่สวยไม่งามน่ะนะท่านเรียก ว, ว่าอสุภานิมิต ่งให้จนอสุภะนิมิตนี้เกิดขึ้นในจิตใจในใจมองเห็นร่างกายของตนและผู้อื่นนี่ล้นวนแต่เป็นซากศพเป็นอสุภะอาสุภังของเน่าของเฟยทั้ทงนั้นเลยอไอ้ผู้เจริญมเมตตาการุณาธรรมแล้วก็มีจิต ประกอบไปด้วยฮิริโอตตปะธรรมเข้าไปมันก็วันเทาความโกรธลงได้เป็นอย่างนั้นผู้รักสวยรักงามก็ต้องมันเจริญอสุภาคกรรมฐานวิวัยต่งกล่าวมานั่นแหละเมื่อเมื่อพิจนาทลายกายนี้ออกไปแล้ว เห็นแจ้งว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนะราคะมันก็เบา บ, า, บางลงโทสะัก็เบา บ, า, บาง อ, อไม่ทราบจะไปโกรธใครมันไม่มีคนไม่มีสัตว์มันมีแต่าธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นประชุมกันโย อ, าา อ, อดวงกิตที่มาอาศัยอยู่ในสภาว่ า, าธาตุอันบุญกรรมตกแต่งให้เนี่ย อันนี้เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆควรเอาไปพิจารณาสิมันก็ไม่มีอะไรเรื่องราวของร่างกายนะมันก็เท่านี้เนะี่ยตัวเองสร้างปัญหาให้ตัวเองมาตลอดชาติตลอดพบเ <c oughs> ยึดเถือเอาความรักความชังไว้ในใจแล้วก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็นำจิตวิญญาณ ที่ลาจากร่างเดิมามามาเกิดรูปไม่ร่างไม่ขึ้นมาถ้ากรรมชั่วมันมากมันติดตัวมาทำกรรมชั่วมามากกรรมชั่วมันก็ตกแต่งรูปร่างอันไม่สมประกอบให้อยู่อาศัยถ้าจิตนี่มันสร้างกรรมดีมามากกรรมดีมันก็มาสร้างรูปกายอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ แต่สะสมบุญยัยงไงก็ทั้งอ่ะมันก็เกิดจากธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนั่นแหะไม่มีวิศเศษอะไรเพียงแต่ว่ามันมีอวัยค์ครบบริบูรณ์แล้วก็มีหิวพันวนหน้าเพลงปรังเพราะว่าเลือดลมมันดีเลือดมันเป็นปกติเลือดมันดีมันก็แล่นซ่านไปทั่วหนังเนี่ย ก็รู้สึกว่าผิวพรรณวันละนเปล่งปังขึ้นมาคนไปเห็นผิวพรรณเปล่งปังตรงนี้ก็อยากได้ลนะรักใครมยินดีทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่ได้พิจารณาความจริง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เพราะไม่ได้พิจารณาความจริงของร่างกายดังกล่าวมานั่นแหละดังนั้นเนี่ยจพากันประมาทเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐแล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางออกจากทุกขทรงบอกอุบายละกิเลสตัณหาในหัวใจ มานับว่าคบทุนบริบูรณ์แล้วคำสอนของพระ อ, องค์น่ะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยพากให้พิสูจน์ได้ทีเดียวแต่ว่าคนเรานี่สิไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระ อ, องค์แม้จะมีคำสั่งสอนใส่คำพี ในหนังสือไว้ในตู้ถ้าบุคคลไม่เรียนไม่จดจำไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติตามมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่บุคคลแต่พระธรรมนั้นดีอยู่ตามเดิมนั่นเองแต่คนไม่เอาไปปฏิบัติตามมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคล บุคคลโบราณกลละกิเลสตัณหากองทุกไม่ได้ก็ทนทุกทรมานไปในสงสารไม่รู้ว่าเมื่อไรจะจบจะสิ้นกันสักทีเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายแล้ ว, ว่าเกิดไปอีกก็มาแก่เจ็บตายอีกอยู่อย่างนี้อุปมามันยังคนที่เรือแตก แล้วแหวกว่ายอยู่ในมาหาสมุทรทะเลซึ่งมองไม่เห็นฝั่งเลยแหวกว่ายไปอยู่นั้นแล้วเมื่อไรไม่รู้จะถึงฝั่งได้สักทีส่วนมากมันไม่ถึงฝั่งมันจมน้ำตายหมดกําลังเสียก่อนอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อคนปล่อยให้ กิเลสตัณหามันรั่วรถหัวใจเข้าไปบองว่าเข้าไปใจก็อ่อนเพลียเลยตายจากบุญกุศลคุณงามความดีทำความดีอะไรก็ไม่ได้เช่นเดียวคนลอยคออยู่ในมาหาสมุทรทะเล น, ลเนั่นเองเมื่อหมดก ำ, กำลังแล้วก็จมน้ำตายเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่ามี คนมาช่วยมีเรืออะไรมาช่วยก็ขึ้นสู่บนเรือแล้วก็พ้นตายไปได้ขพอนี้อุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้มีบุญได้ทำไว้เวลากิเลสมันมาเล่นงานก็นึกถึงบุญกุศล น, นึกถึงความดีที่ตนทำมาเมื่อบุญคุณปรากฏขึ้นในใจใจก็มีกำลัง สู้กับกิเลสตัณหานั่นได้ถ้าบุญกุศลมากพอก็ชนะกิเลสตัณหานั่นไปถ้าบุญไม่มากพอมันก็พอจะเพียงขับไล่กิเลสให้ถอยออกไปจากดวงจิตนี้เท่านั้นเองคันโภเหลสะสกิเลสมันก็ขยับเข้ามา กอบงามจิตใจไว้เป็งนงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสั่งสอนให้บาเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นไปกิเลสมันจะตามไม่ทันมันจะตามรบกวนไม่ได้เมื่อคนเรามีคุณธรรมมันสูงอยู่ในใจแล้ว กิเลสมันก็ไม่กล้าไปลุกรานมันเป็นอย่างนั้นอุปมาหนึ่งก็เหมือนอย่างประเทศถาติบ้านเมืองประเทศหนึ่งหนึ่งถ้าฝึก ขอ น, นมเนี่ยเป็นตำรวจเป็นทหารมากมากเข้าไปรักษาชายแดนให้มันเข้มแข็งเข้าไปนี่าศึกก็ไม่กล้าล่วงล้ำเข้ามาประเทศด้านก็เป็นเอกรักษ์มีอธิปไตยเต็มที่อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเละ เมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลให้มองมากเข้าไปก็เหมือนอย่างประเทศบ้านเมืองมีทหารตำรวจมากมากนั่นแหละถ้าศึกก็ไม่กล้ามารบควรฉันใดเมื่อบุคคลมีบุญกุศลมากมากเข้าไปกิเลสบาปประทมกรรมมันชั่วมันก็ไม่กล้ามาครอบงมจิตใจนี่ก็ถันนั่นแหละยังในเพิ่งเข้าใจ เพราะฉะนั้นทำไมมันจึงละ ก, กิเลสไม่ได้บางคนกบนแเราก็ทำความเพียรซะเต็มที่ทำไมนอกิเลสถึงไม่เบาบางออกไปจากกิจใจข้อนี้ไม่ต้องสงสัยให้พึ่งเข้าใจว่าบุญยังไม่มากพออันนี้ตนสร้างบุญกุศลยังไม่มากพอไม่ต้อง น้อยเนื้อทำใจรีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไปเห็นเป็นเครือขัดก็รีบเร่งทำบุญทำทานให้มากเข้าไปเท่าที่จะมากได้รีบเร่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆรีบเร่งเ้าวัดฟังธรรมจำศีลอุโมสตบ้างจำศีลห้าบ้าง อันโมนี้ล้วนแต่บำเพ็ญบุญกุศลทั้งนั้นเลยการทำก่อวัดปฏิบัติเหล่านี้นยะการไหวพระสวดมนต์การแสดงความเคารพนมน้อมต่อคุณพระศัสนไกลโมนีล้วนทั้งแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในจิตใจขั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแหละ เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันหนิงนอนใจให้พึ่งมีสติสมัชฌัญควบคุมจิตของตอนให้มันตั้งมั่นอยู่ในผลแห่งทานตั้งมั่นอยู่ในผลแห่งศีลตั้งมั่นอยู่ในผลแห่งภาวนาคือเหตุนั้นเราลงมือทําเช่นทําทานอย่างนี้นะลงมือทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ การกก ร, รักษาศีลก็ลงมือทาคือกล่าวคำปฏิญญาณตนต่อหน้าพระสงฆ์นั่นเรียกว่าการกระทาน ะ, ะสมทานมั่นว่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมูสาวากว่าไม่ดื่มชุราเมรยัยกัญชายาผินเฮโรอีน ผูรักษาศินอุบสถสิ้นแต่กว่าต่อไปข้าพเจ้าจากักไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการข้าพเจ้าจักไม่โขนรำขับร้องดีสีตีเปล่าหรือไปดูเขาเล่นร้องรำขับร้องก็ห้ามข้าพเจ้าจักไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกาย ด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆอธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้ข้าพเจ้าจักไม่นั่งไม่นอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดตวยลุ่ยสำรีและวิจิตงามต่างๆมูนี่เราต้องอธิษฐานใจสำรวมระวังไม่ร่วงเกินใน บทบรรยัติที่พระเจ้าทรงบรรยัติไว้ดังกล่าวมานี่สำหรับข ร, รือหัดนะสำหรับนัก บ, บวชก็สํารวมในวินัยให้เข่งคัดอย่า ย, อยอ่อจรอย่างนี้แล้วก็การบาเพ็ญทางจิตใจคือเจริญสมถาวิปัสสนามันก็เป็นไปได้บะนี้มันก็ทู่อำนาจของกิเลสอันหยาบหยาต่างๆได้ ในเมื่อเรามีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในจิตใจแล้วทีเลตมันครอบงาไม่ได้จริงๆนะเอแถมมาเจริญปัญญาเข้าไปอีกพิจารณาสิ่งที่ใจมันหลงไหล ย, ยึดถือสําคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่แล้วนะ่ะที่มันหลงรักหลงใคร่อยู่เหมือนนั้นนะ่ะ ให้ปัญญาแยกแยะพิจารณาส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามให้มันรู้ชัดตามเป็นจริงลงไปว่าที่สมมติว่าหญิงว่าชายว่ามนุษย์อะไรหมดนี้นะเมื่อแยกแยะออกดูแล้วไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีมนุษย์อยู่ในนั้นเลยมีแต่ธาตุดินธาตุนาต้าธาตุไฟธาตุลมเท่านั้น กับอากาศาธาตุวิญญาณธาตุรวมเป็นธาตุหกปรากฏอยู่ภายในนะั่นก็วิญญาณธาตุกับความรู้สึกทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจช่องว่างก็สมายเอาช่องหูช่องจมกูกช่องปากเป็นต้นเหล่าเนี้ยกา ร, รวนแตเป็นสภาวะธาตุเท่านั้นไม่มีตัวไม่มีตนอะไร วิญญาณธาตุความรู้สึกต่างๆโมนิยานมันก็เป็นธาตุชนิดนึงเนี่ยพิจารณาให้มันเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะสภาวะธรรมลงไปแล้วมันก่อถ้ามันเห็นด้วยปัญญาจริงๆกลคลายความยึดความถือคลายความรักคลายความกโกรธคลายความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้ง ออกไปจากกิจใจเลยไปนี่ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามันสูงขึ้นไปโดนลำดอดถึงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพึงพากัรพยายามก็บพฤกปฏิบัติไปเมื่อเห็นแจ้งดไม่จริงอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางยุติการคิดการวิจาร์สงบจิตอยู่ภายในมีสติสมบูรญญยะ พระคองจิตที่สงบอยู่นั้นสงบอยู่ด้วยความรู้นะนั่น น, นี่นะี่แหละมีความประสงค์อย่างนี้การเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นขอให้พาการทำใจของตนให้เป็นไปตามนี้ดังแสดงมา